ความเห็นถูกในเรื่องการเกิดดับของจิตในพบใหม่วงเล็บเปิดยี่สหกกุมภาพันสองพันห้าอห้าสิบสองในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดพระพุทธเจ้าถึงออกปากว่าการเห็นกายไม่ใช่เราเป็นของง่ายคนในศาสนาอื่นเขาก็เห็นได้แต่การจะเห็นจิตไม่ใช่ตัวเรามีแต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะทําให้เห็นได้ฉะนั้นในศาสนาอื่นจะไม่มีพระโสดาบันเพราะว่าอย่างไรเขาก็เห็นว่าจิตเป็นตัวเรา ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีเขาคิดว่าตัวเรามีจริงๆอย่างศาสนาที่มีพระเจ้าตัวเรานี่พระเจ้าสร้างขึ้นแล้วเป็นอมะตะพอร่างกายตายนะจิตออกจากร่างไปหาที่เกิดใหม่จิตเป็นตัวเราเป็นอัตตาบางคนเชื่อฟิสิกเพราะตอนนี้จิตใจนี้ก็เป็นวัตถุเกิดจากวัตถุนะมีร่างกายขึ้นมานี่โปรโตีนมันทางานมันก็คิดนึกปรุงแต่งได้ เพราะฉะนั้นจิตใจก็เกิดจากวัตถุมีไหมมีตัวเราไหมมีแต่ว่าพอร่างกายตายตัวเราก็หายไปอย่างไรก็อดมีตัวเราไม่ได้คือตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่มีเราอยู่ต่อเมื่อตายแล้วเราถึงหายไปไม่เหมือนพวกแรกนะเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่อนาคตตายแล้วก็ยังมีอยู่อีกรวมความแล้วมันต้องมีตัวเราทั้งสองการคือในปัจจุบันและในอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันอย่างเดียวในอนาคตหายไป การที่คิดว่าตัวเรามีอยู่ถาวรเป็นมิจฉาทิฐิชื่อสัตสตะทิฐิการคิดว่าตัวเรามีอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับสูญไปเป็นมิจฉาทิฐิชื่ออุเฉททิฐิเป็นมิจฉาทิฐิทั้งนั้นเลยส่วนสัมมาทิฐิไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีสัมมาทิฐิจะบอกว่าถ้ามีเหตุก็มีถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีทีนี้เหตุอะไรที่ทําให้จิตเกิดอยู่อีกเหตุใกล้ของจิตคืออะไรใครรู้บ้าง หลวงพ่อพูดเรื่อยๆเหตุใกล้ของสติคือถิรสัญญาเหตุใกล้ของสมาธิคือความสุขเหตุใกล้ของปัญญาคือสัมมาสมาธิแล้วเหตุใกล้ของจิตคืออะไรใครภาวนาแล้วเห็นไหมเหตุใกล้ของจิตคืออะไรคือรูปกับนามอย่าคิดเอานะต้องภาวนาเอาคิดเอาประสาทกินอาศัยรูปกับนามนั่นแหละจิตก็เกิดขึ้นมาถ้าไม่มีรูปนามก็ไม่มีจิตขึ้นมารูปนามเป็นเหตุใกล้ให้เกิดจิต ฉะนั้นก็คล้ายๆนะวิทยาศาสตร์บอกมีวัตถุมารวมกันแล้วเกิดธรรมชาติรับรู้ขึ้นมาใช่แต่ธรรมชาติรับรู้นี้ไม่ได้หายไปเมื่อวัตถุนั้นแยกตัวออกไปแต่กระจายออกไปธรรมชาติรับรู้นั้นสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองเอาไว้ได้สืบเนื่องต่อไปได้เป็นเรื่องแปลกถ้าภาวนาจนมีหูตาที่ว่องไวกว่าคนทั่วๆไปจะเห็นการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงๆนะแต่ไม่ใช่จิตดวงเดิมไปเกิดหรอกมันเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นในภพใหม่ จิตดวงใหม่มันสืบทอดเอาบุญและบาปของจิตดวงก่อนๆเอามาไว้จิตดวงใหม่เหมือนลูกจิตดวงเก่ารับมรดกมามรดกทั้งดีมรดกทั้งไม่ดีรับมามีพันธุ ก, กรรมเหมือนกันทางจิตก็มีพันธุกรรมนะไม่ใช่มีเฉพาะทางกายทีนี้พอเราภาวนาไปเรื่อยเราจะเห็นเลยมันก็แค่ธรรมชาติเท่านั้นกายก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งจิตก็เป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นสภาวะอย่างหนึ่งเท่านั้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปสืบไปอย่างนี้เรื่อยๆบังคับไม่ได้มีอยู่ไหมมีแต่ไม่ใช่ตัวตนตั้งแต่ตอนที่ยังมีอยู่ถ้าเป็นมิจฉาทิฐินะตอนนี้ยังมีอยู่ก็มีตัวเราตายไปแล้วอาจจะมีเราอีกก็ได้หรือว่าศูนย์ไปเลยก็ได้แต่สัมมาทิฐิไม่มีเราตั้งแต่ตอนนี้แล้ว เป็นแต่สภาวะธรรมลุ้นล้วนเลยรูปธรรมนามธรรมมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสืบเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วความทุกข์อยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่รูปธรรมนามธรรมอยู่ที่กายที่ใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเพราะกายกับใจไม่ใช่ตัวเราฉะนั้นคนใดภาวนาไปจนเห็นกายกับใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยจะได้เจอสภาวะอันหนึ่งเป็นสภาวะที่นึกไม่ถึงเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดเปิด มีธรรมะที่คิดไม่ถึงปิดเครื่องหมายคำพูดไม่ใช่เครื่องหมายคำพูดเปิดมีชีวิตที่คิดไม่ถึงป hey, ิดเครื่องหมายคำพูดธรรมะที่คิดไม่ถึงก็คือมีรูปธรรมนามธรรมแต่ไม่มีตัวเราความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ทุกวันนี้มันมีผู้เป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะร่างกายทุกข์เราก็โดดไปรับว่าไอ้เนี่ยตัวเราทุกข์พอจิตมันทุกข์ขึ้นมาเราก็โดดเข้าไปรับเอาไว้เนี่ยตัวเราทุกข์มันมีตัวเราทุกข์ขึ้นมา ถ้าภาวนาเป็นเห็นกายเห็นใจเ้าทํางานเป็นแค่สภาวะธรรมเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยไม่ใช่ตัวเรากายมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ใจมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เราไม่ทุกข์ด้วยไม่เกี่ยวมันไม่มีเราทุกวันนี้ที่ยุ่งเหยิงเพราะมันมีเราขึ้นมาพราะมีเรามีตัวเราใช่ไหมก็ต้องมีของเราเพื่อจะได้ประกอบตัวเราให้โตขึ้นทุกอย่างมันจะย้ําให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆ